สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองมันเกิดขึ้นในปีพศ2560ซึ่งค่างบ้านผมเป็นบ้านร้างมาตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่แถวนี้เมื่อ15ปีก่อนแต่มันร้างมาก่อนหน้านั้นกี่ปีก็ไม่รู้เหมือนกันผมพยายามไม่สนใจมันมากสักเท่าไหร่ ในตอนที่ผมย้ายมาอยู่ข้างบ้านนั้นในช่วงแรกบางวันก็มีเสียงแปลกๆดังออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่ช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยมีแล้วเงียบแบบเงียบมากคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นน้องผมซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องอายุประมาณ16ปีอายุน้องเขาห่างกันกับผมเกือบเท่าตัวน้องเขากลับบ้านดึก แล้วได้นั่งคุยโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านบริเวณระหว่างบ้านผมกับบ้านร้างตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วน้องเขาก็ได้เห็นคนแก่ผมยาวยืนเกาะประตูลุกกงอยู่ในความมืดแล้วเรียกเบาๆฟังไม่ได้สับน้องผมตกใจมากรีบวิ่งเข้าบ้านเลยแล้วน้องก็นํามาเล่าให้คนในบ้านฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้เจอ ส่วนตัวผมนั้นยังไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านร้างทำตัวผิดปกติไปป้าบ้านตรงข้ามแกถือโทรศัพท์มือถือพนมมือวายไปที่บ้านร้างปากท่องอะไรสักอย่างซึ่งผมไม่ได้ยินปกติเขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนและบ้านนั้นก็เป็นบ้านคนจีนด้วยบ้านผมเองกับบ้านป้าเขาก็ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ ก็เลยไม่ได้ถามเรื่องนี้ว่าแกทำไปทำไมหลังจากผมได้รับรู้เรื่องดาวจากน้องผมมันก็ลงตัวพอดีกับช่วงเวลาที่น้องเจอเหตุการณ์นั้นและอาการแปลกๆของบ้านฝั่งตรงข้ามจนคืนหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตมันอนธะิบายไม่ถูกว่าเป็นเสียงยังไงตอนนั้นผมคิดว่ามันผิดปกติเอามกากด้วยความที่ผมนอนอยู่ ก็เลยพยายามไม่สนใจเสียงอะไรพวกนั้นแต่มันก็ค่อนข้างจิตตกเลยทีเดียวเหมือนกันเมื่อคิดตามหลักเหตุผลแล้วใครกันจะเข้าไปในบ้านร้างที่ล็อกไว้ในเวลากลางดึกเที่ยงคืนแบบนี้เพียงเพื่ออยากจะแกล้งคนผมคิดว่ายังไงก็ไม่น่ามีใครบ้าพอจะทำแบบนั้นแล้วจะเป็นวิญญาณจริงทำไมเพิ่งจะโผล่มาตอนนี้หลังจากที่อยู่มาแล้วตั้งนาน จากที่ผมรู้มาประวัติของบ้านหลังนี้เจ้าของเก่าพัวพันกับคดียาเสพติดแล้วนี้คดีไปอยู่ที่อื่นจึงขายบ้านหลังนี้ให้กับเจ้าของคนปัจจุบันที่ทำธุรกิจบ้านเช่านั้นๆครั้งที่เจ้าของบ้านจะส่งคนมาดูแลบ้านบ้างเช่นตัดต้นโพกลางบ้านทำความสะอาดภายในบ้านไม่ให้ต้นไม้งอกจนกลืนบ้านประกาศขายบ้านหรือให้เช่า แต่ก็ไม่เคยมีใครกล้ามาอยู่เลยสักคนไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องราวอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะผมรู้แค่นี้จริงๆเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เช้ามาด้วยความสงสัยผมก็ออกไปดูที่หน้าบ้านหลังนั้นเพื่อสังเกตดูอีกทีว่าเมื่อคืนมันจะมีคนแอบเข้าไปหรือเปล่าซึ่งลักษณะของบ้านหลังนี้ค่อนข้างโลง่งมองเห็นได้จากภายนอก จะมีแค่ต้นไม้ที่เจ้าของจ้างคนมาตัดวางไว้กลางลานบ้านแค่นั้นไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยกุญแจล็อกอย่างแน่นหนาส่วนทางอื่นก็ไม่น่าจะเข้าไปได้ไม่มีทางเข้าด้านหลังบ้านรอบข้างก็ไม่น่าจะมีคนปีนเข้าไปได้ถ้ามีคนอุตริเข้าไปเพื่อแกล้งคนได้มันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆความพยายามสูงมากแล้วก็ต้องไม่มีคนเห็นด้วยซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ การจะปีนเข้าบ้านไปได้นั้นต้องปีนผ่านบ้านอื่นหลังจากนั้นผมก็กลับมานอนต่อแล้วฝันว่าตัวเองกำลังนั่งเล่นเกมอยู่จูจูจอคอมพิวเตอร์ก็ดับแล้วภายในจอนั้นก็เห็นเป็นเงาดาๆเหมือนกับผู้หญิงตอนนั้นผมรู้สึกว่ากำลังโดนอัมอยู่เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งขยับตัวไม่ได้แล้วก็มีเสียงดังเข้ามาในหัวเป็นเสียงที่ดังมาก จนมันทำให้ผมโมโหเลยตะโกนกลับไปว่าอย่ามายุ่งกับกูขณะที่ผมกำลังง้างขาจะเตะผีอาการผีอมก็หายไปแล้วผมก็ตื่นขึ้นในทันทีก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเป็นเพราะอาการจิตตกของผมหรือเปล่าแต่โดยปกติแล้วผมไม่ค่อยจะเจออะไรแบบนี้เลยจากนั้นผมก็พยายามหาข้อมูลว่าเกิด อ, อะไรขึ้น เมื่อผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอาทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันปรากฏว่ามันมีเรื่องที่น่ากลัวกว่าเดิมซี่บ้านหลังนี้ร้างมาประมาณ20ปีแล้วส่วนครอบครัวผมย้ายมาอยู่แถวนี้เมื่อประมาณ15ปีก่อนต้นโพที่ขึ้นอยู่กลางบ้านสูงมากน่าจะประมาณสมชั้นมันโดนตัดทิ้งไปประมาณ 1-2 สองปีแล้วซึ่งผมทราบมาว่า ต้นโพถ้าเทวดาไม่มาอยู่พวกสัมภเวสีจะชอบมาอยู่ปัจจุบันนี้ยังเหลือต่อไหมผมก็ไม่แน่ใจนานๆครั้งเจ้าของบ้านจะส่งคนมาตัดต้นไม้หรือทำความสะอาดบ้างและประตูทางเข้าก็ได้รับการล็อกอย่างแน่นหนามันน่ากลัวมากขึ้นตรงนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับบ้านที่ผมอยู่ให้ฟังกันเมื่อประมาณ 7-8 ปปีก่อนครอบครัวผม ย้ายไปอยู่ภาคเหนือกันหมดแล้วทิ้งลุงผมไว้คนเดียวในบ้านส่วนผมในตอนนั้นอยู่หอพักเรียนมหาวิทยาลัย อ, อยู่ลุงผมเป็นคนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อยู่บ้านไม่ทาความสะอาดบ้านเลยแล้วยังชอบโยนเศษอาหารไว้บนพื้นเพราะที่บ้านมีแมวก็โยนปลาให้แมวกินก็โยนไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยทำความสะอาดเลยบ้านไม่กวาดไม่ถูใดๆทั้งสิ้น มันสกรปรกมากๆที่บ้านก็มีตีจู่เอี้กซึ่งขอเรียกง่ายๆว่าสารเจ้าจีนก็แล้วกันสารเจ้านี้มีมาตั้งแต่เจ้าของบ้านเก่าแล้วตอนครอบครัวผมไปอยู่ก็ดูแลเป็นอย่างดีแต่หลังจากครอบครัวผมไม่ได้อยู่และเหลือลุงเพียงคนเดียวสารเจ้าจีนก็ไม่มีคนดูแลเวลาผ่านไป 2-3 ถึงปีผมก็ต้องกลับมาอยู่บ้านนี้ครั้ง ตามคำขอของพ่อว่าจะทำความสะอาดบ้านหมดก็เสียเวลาไปนานมากสภาพบ้านแย่สุดๆส่วนเรื่องศาลเจ้าจีนผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าควรจะทำยังไงดีแต่ที่บ้านก็บอกอย่าเคลื่อนย้ายดีกว่าให้ดูแลดีๆผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ได้รู้ว่าเทพประจำบ้านที่ศาลเจ้าจีนนั้นท่านจะไม่อยู่ถ้าไม่มีคนดูแล ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรที่ศาลเจ้าจีนนั้นเลยก็ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติไม่ได้มีอะไรรบกวนจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ผมเริ่มรู้สึกว่าบ้านร้างนั้นมีวิญญาณขาจรมาพักอยู่แต่ที่กังวลกว่าก็คือถ้าเทพที่ศาลเจ้าจีนไม่อยู่ดูแลบ้านผมแล้วผมควรจะทำยังไงดีกลัวว่าผีจากบ้านร้างจะเข้ามายัางบ้านผม ซึ่งบ้านก็อยู่ติดกันเสียด้วยบ้านผมหวงจุ้ยไม่ดีเป็นบ้านอับเก่าและมืดจากการต่อเติมบ้านแบบแปลกๆของอาผมสมัยที่เขายังอยู่บ้านนี้หลังจากนั้นก็ทาอะไรติดขัดพอสมควรไม่เหมือนก่อนย้ายเข้ามาเลยตอนนี้ผมจิตตกเป็นอย่างมากเพราะบ้านหวงจุ้ยไม่ดีเจ้าที่ไม่อยู่แถมยังมีวิญ ญ, ญาณข้างบ้านและเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นอีก โดยปกติแล้วบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือห้องเช่าที่อยู่ต่างๆหากไม่มีผู้คนเข้าไปอยู่หรือดูแลเลยเป็นเวลามากกว่าสามเดือนก็มักจะมีความเชื่อว่าจะมีวิญญาณเร่ร่อนเข้ามาใสายอยู่ก็ให้แก้โดยการสวดมนต์อิติปิโสสามจบแล้วเขาจะออกไปเองหากเขาไม่ไปแสดงว่าวิญญาณ น, นั้นร้ายกาจมาก อาจจะเกิดจากปล่อยให้ที่อยู่ร้างมาเนิ่นนานจนวิญญาณที่มาใส่นั้นรักและหวงที่อยู่อาศัยเช้าวันถัดมาผมจึงไปใส่บาตรกรวดน้ำและบอกด้วยว่าอยู่ไกลอยู่มันอย่ามารบกวนกันไม่รู้ว่ามันจะได้ผลรึเปล่าแต่มันก็ช่วยให้สภาพจิตใจของผมนั้นดีขึ้นพอตอนเย็นแฟนผมกลับมา แล้วเล่าเรื่องที่ได้ไปปรึกษากับคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ให้ผมฟังซึ่งเธอคนนั้นบอกว่าเจ้าที่ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนวันที่จะมาเข้าปันก็แค่มาเตือนมาบอกว่าเราอาจจะไปทำอะไรไม่ดีเข้าซึ่งรบกวนเขาไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมผมก็พยายามนึกจนนึกออกได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ไปทำความสะอาด แถวแถวจุดที่เชื่อมกันตรงหน้าบ้านจัดการต้นไม้รกๆแล้วก็พวกเศษขยะที่คนชอบเอามาทิง้งเพื่อให้หน้าบ้านดูดีหน้ามองหน่อยแต่มันกลับก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือแมวบ้านผมแมวบ้านอื่นและพวกหมาพากันไปขี้ตรงจุดนั้นมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าที่ไม่พอใจผมจึงตัดสินใจหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และกลับมาดูแลสารเจ้าจีนอีกครั้งเพื่อว่าท่านจะได้ช่วยเหลือดูแลผมบ้างและผมหวังว่าเหตุการณ์แปลกๆทุกๆอย่างนั้นมันคงจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม สมัทสยง